เวทนาที่เกิดจากโสตสัมผัสเป็นปิยรูปภาษาตัรูปในโลกเวทนาที่เกิดจากคานสัมผัสเป็นปิยรูปภาษาตัรูปในโลกเวทนาที่เกิดจากชิวหาสัมผัสเป็นปิยรูปภาษาตัรูปในโลกเวทนาที่เกิดจากกายสัมผัสเป็นปิยรูปภาษาตัรูปในโลกเวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัส เป็นปิยรูปรสาตารูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่เวทนาซึ่งเกิดจากมโนสัมผัสนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่เวทนาซึ่งเกิดจากมโนสัมผัสนี้รูปสัญญาความหมายรู้รูปเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกสัทธสัญญาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลก คันทสัญญาเป็นปิยรูปภาษาตรูปในโลกรัศศสัญญาเป็นปิยรูปภาษาตรูปในโลกโพธพัสัญญาเป็นปิยรูปภาษาตรูปในโลกธรมมสัญญาเป็นปิยรูปภาาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ธรมมสัญญานี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ธรมมสัญญานี้ รูปสัญญาเจตนาความจงใจในรูปเป็นปิยรูปภาษาตรูปในโลกสัท ธ, ธ, ธสัญญาเจตนาเป็นปิยรูปภาษาตรรูปในโลกคันทธธธธสัญญาเจตนาเป็นปิยรูปภาษาตรูปในโลกรัศสัญญาเจตนาเป็นปิยรูปภาษาตรูปในโลกโพทภะสัญญาเจตนาเป็นปิยรูปภาษาตรูปในโลก ธรรมสัญญาเจตนาเป็นปิยารูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ธรรมสัญญาเจตนานี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ธรรมะสัญญาเจตนานี้รูปตัณหาความทยานอยากในรูปเป็นปิยารูปสาตรูปในโลกสัทสัญญาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกคันทตตันหา เป็นปียารภาษาตารูปในโลกรัตตันหาเป็นปียารภาษาตารูปในโลกโพัพะตันหาเป็นปียารภาษาตารูปในโลกธัรมตันหาเป็นปียารภาษาตารูปในโลกตันหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ธรมมตันหานี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ธรรมตันหานี้รูปวิตตก ความตรึกถึงรูปเป็นปิยารูปสาตรูปในโลกสัตวิตกเป็นปิยารูปสาตรูปในโลกคันทวิตกเป็นปิยารูปสาตรูปในโลกรสาวิตกเป็นปิยารูปสาตรูปในโลกโพธพาวิตกเป็นปิยารูปสาตรูปในโลกธรมมวิตกเป็นปิยารูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิด ก็เกิดที่ธรรมะวิตกนี <hi wi> ้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ธรรมะวิตกนี้รูปวิจารณ์ความตรองถึงรูปเป็นปียรูปภาษาตรูปในโลกสัทธวิจารณ์เป็นปียะรูปภาษาตรูปในโลกคันทวิจารณ์เป็นปียะรูปภาษาตรูปในโลกรสาวิจารณ์เป็นปียรูปภาษาตรรปในโลก โพธพาวิจารเป็นปิยะรูปสาตรูปในโลกธรรมวิจารเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ธรรมวิจารนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ธรรมวิจารนี้นี้เรียกว่าทุกขะสมุทัยอริ ย, ยรสัจนิโรธาัสจานิเทศร้อทุกขะนิโรธอริยสัจเป็นอย่างไร คือความดับตันหาไม่เหลือด้วยวิราคะความสละความสละคืนความพ้นความไม่อะไรในตันหาก็ตันหานี้เมื่อละละที่ไหนเมื่อดับดับที่ไหนคือปิยารูปัสาตารูปใดมีอยู่ในโลกตันหานี้เมื่อละก็ละที่ปิยารูปัสาตรูปนี้เมื่อดับก็ดับที่ปิยารูปัสาตรูปนี้ ก็อะไรเป็นปิยะรูปสาตรูปในโลกคือจักขุเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่จักขุนี้เมื่อดับก็ดับที่จักขุนี้โซตะเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกคาณนาเป็นปิยรูปสาตวรูปในโลกชิวหาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกกายเป็นปิยรูปสาตรูปในโลก มโนเป็นปิยารูปภาษาตรรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่มโนนี้เมื่อดับก็ดับที่มโนนี้รูปเป็นปิยารูปภาษาตรรูปในโลกเสียงเป็นปิยารูปภาษาตรรูปในโลกกลิ่นเป็นปิยารูปภาษาตรูปในโลกรสเป็นปิยารูปภาษาตรูปในโลก โพธพะเป็นปิยรูปภาษาตรูปในโลกธัมมารมณ์เป็นปิยรูปภาษาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่ธัมมารมณ์นี้เมื่อดับก็ดับที่ธัมมารมณ์นี้จะขูวิญญาณเป็นปิยรูปภาษาตรูปในโลกโสตวิญญาณเป็นปิยรูปภาษาตรูปในโลกคาณาวิญญาณเป็นปิยรูปภาษาตรูปในโลก ชิวหาวิญญาณเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกกายวิญญาณเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกมโนวิญญาณเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่มโนวิญญาณนี้เมื่อดับก็ดับที่มโนวิญญาณนี้จะคูสัมผัสเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกสดสัมผัส เ ป, ป็นปิยารูปสัตตรูปในโลกคานสัมผัสเป็นปิยารูปสัตตรูปในโลกชิวหาสัมผัสเป็นปิยารูปสัตตรูปในโลกกายสัมผัสเป็นปิยารูปสัตตรูปในโลกมโนสัมผัสเป็นปิยารูปสัตตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่มโนสัมผัสนี้เมื่อดับก็ดับที่มโนสัมผัสนี้ เวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัสเป็นปิยรูปสาตารูปในโลกเวทนาที่เกิดจากโสดสัมผัสเป็นปิยรูปสาตารูปในโลกเวทนาที่เกิดจากโซตสัมผัสเป็นปิยรูปสาตารูปในโลกเวทนาที่เกิดจากคานาสัมผัสเป็นปิยรูปสาตารูปในโลกเวทนาที่เกิดจากชิวหาสัมผัสเป็นปิยารูปสาตารูปในโลก เวทนาที่เกิดจากกายสัมผัสเป็นปิยรูปภาษาตรูปในโลกเวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัสเป็นปิยารูปภาษาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่เวทนาซึ่งเกิดจากมโนสัมผัสนี้เมื่อดับก็ดับที่เวทนาซึ่งเกิดจากมโนสัมผัสนี้รูปสัญญาเป็นปิยรูปภาษาตรูปในโลกสัทธาสัญญา เป็นปิยารูปภาษาตรูปในโลกคันทสัญญาเป็นปิยารูปภาษาตรูปในโลกรศศสัญญาเป็นปิยารูปภาษาตรูปในโลกโพธภัสสัญญาเป็นปิยารูปภาษาตรูปในโลกธรมมสัญญาเป็นปิยารูปภาษาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่ธรมมสัญญานี้เมื่อดับก็ดับที่ธรมสัญญานี้ รูปสัญญาเจตนาเป็นปิยารูปภาษาตรูปในโลกสัทธสัญญาเจตนาเป็นปิยารูปภาษาตรูปในโลกคันทสัญญาเจตนาเป็นปิยารูปภาษาตรูปในโลกรัสัญญาเจตนาเป็นปิยารูปภาษาตรูปในโลกโพัพัสัญญาเจตนาเป็นปิยารูปภาษาตรรูปในโลก ธรรมะสัญญาเจตนาเป็นปียรูปัสาตรูปในโลกตันหานี้เมื่อละก็ละที่ธรรมะสัญญาเจตนานี้เมื่อดับก็ดับที่ธรรมะสัญญาเจตนานี้รูปตันหาเป็นปียรูปัสาตรูปในโลกสัทธตันหาเป็นปียรูปัสาตรูปในโลกคันธาตันหาเป็นปียรูปัสาตรูปในโลก รัตรันหาเป็นปิยรูปะระสาตรูปในโลกโพธพะตันหาเป็นปิยรูประสาตรูปในโลกธรรมตันหาเป็นปิยรูประสาตรูปในโลกตันหานี้เม UM ื่อละก็ละที่ธรรมตันหานี้เมื่อดับก็ดับที่ธรรมะตันหานี้รูปวิตกเป็นปิยรูประสาตรูปในโลกสัตววิตกเป็นปิยรูประสาตรูปในโลก คันทวิตกเป็นปิยรูปสาตวรูปในโลกรสาวิตกเป็นปิยรูปสาตวรูปในโลกโพธพาวิตกเป็นปิยรูปสาตวรูปในโลกธรมมวิตกเป็นปิยรูปสาตวรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่ธรมมวิตกนี้เมื่อดับก็ดับที่ธรมมวิตกนี้รูปวิจารเป็นปิยรูปสาตวรูปในโลก สัตววิจารเป็นปิยรูปัสตาตูปในโลกคันทวิจารเป็นปิยรูปัสตาตูปในโลกรสาวิจารเป็นปิยรูปัสตาตูปในโลกโพธพาวิจารเป็นปิยรูปัสตาตูปในโลกธรรมวิจารเป็นปิยรูปัสตาตูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่ธรรมวิจารนี้เมื่อดับก็ดับที่ธรรมวิจารนี้ นิ้วเรียกว่าทุกขนิโรธอริยรสัจมักคสัจจะนิเทศ1น5รทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเป็นอย่างไรคืออริยมัคมีองค์แปดนี้นั่นแหลได้แก่หนึ่งสัมมาทิฏฐิเห็นชอบสองสัมมาสังกัปปะ ดำริชอบสามสัมมาวาจาเจรจาชอบสี่สัมมากมันตะกระทําชอบหาสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบหสัมมาวายามะพยายามชอบเจ็ดสัมมาสติระลึกชอบ8ดสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไรคือ ความรู้ในทุกความรู้ในทุกขะสมุทัยความรู้ในทุกขะนิโรธความรู้ในทุกขะนิโร ธ, ค า, รโรธคามินนปฏิปทา <Bol ot> นี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นอย่างไรคือความดําริในการออกจากกามความดําริในการไม่พยาบาทความดําริในการไม่เบียดเบียนนี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจาเป็นอย่างไรคือเจตนางดเว้นจากการพูดเท็จเจตนางดเว้นจากการพูดคำหยาบเจตนางดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อนี้เรียกว่าสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะเป็นอย่างไรคือเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์เจตนางดเว้นจากการลักทรัพย์ เจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกามนี้เรียกว่าสัมมากรรมันตะสั ม, มาอาชิวะเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ละมิจฉาอาชิวะแล้วสำเร็จการเลี้ยงชีพด้วยสั ม, มาอาชิวะนี้เรียกว่าสั ม, มาอาชิวะ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 สัมมาสติเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกได้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกได้ พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้นี้เรียกว่าสัมมาสติ สัมมาสมาธิเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจาักกรมและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปบรรลุทุติยฌานที่มีความผ่องใสาภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้น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 เพราะสมนัตและโทมนัตดับไปก่อนแล้วบรร ล, ลุจตุททฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธ์เพราะอุเบกขาอยู่นี้เรียกว่าสัมมาสมาธินี้เรียกว่าทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอาริยสัพร้อย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 หรือพิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในธรรมทั้งหลายอยู่หรือว่าภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้ามีธรรมอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาณเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยตัณหาและทิฏฐิอยู่ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลก ภิกษุจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออริยสัจ4ี่อยู่อย่างนี้แลหมวดสัจจะจบธรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจบานิสงแห่งการเจริญสติปัฏฐานส137ภิกษุทั้งหลาย 1>, 1. บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐานสี่ตลอด7ปีพึงหวังผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จกเป็นอนาคามี 2. อเจปีจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐานสี่ตลอด6ปีพึงหวังผลอย่างหนึ่งในสองอย่าง คืออารหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จกเป็นอนาคามี 3. 6ปีจงยกไวบุคคลผู้เจริญสติปัฏฐานสตลอด5ปีพึงหวังผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออารหาัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จกเป็นอนาคามี 4ห้าปีจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน4ตลอด4ปีพึงหวังผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออารหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามี5 4สีปีจงยกไว้ บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐานสี่ตลอดสามปีพึงหวังผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทาเหลืออยู่ก็จกเป็นอนาคามีหกสามปีจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐานสี่ตลอดสองปีพึงหวังผลอย่างหนึ่งในสองอย่าง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 หนึ่งปีจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐานสี่ตลอดเจเดือนพึงหวังผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออารหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จกเป็นอนาคามี9เจ็ดเดือนจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐานสี่ตลอดหเดือนพึงหวังผลอย่างหนึ่งในสองอย่าง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 2เดือนจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐานสี่ตลอดหนึ่งเดือนพึงหวังผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตะผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จกเป็นอนาคามี15หนึ่งเดือนจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐานสี่ตลอดครึ่งเดือนพึงหวังผลอย่างหนึ่งในสองอย่าง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 138ภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์ของหลาวสัตว์เพื่อล่วงโสกะและปริเทวะเพื่อดับทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุยยัตธรรมเพื่อทำให้แจ้งนิพพานทางนี้คือสติปัฏฐานสี่ประการเราอาศัยทางสายเดียวนี้แล้วจึงกล่าวคำดังพนานามาชนี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 รวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. มูลปริยายสูตร 2. สังภาสวะสูตร 3. มธัรมทาทายะสูตร 4. พยะเพรวะสูตร 5. อาอังคณะสูตร 6. อากังคยสูตร 7. วัตถุปมสูตร 8. สะสเลขสูตร 9. สมาธิติสูตร สิบมหาสติปัฏฐานสูตรขอท่านทั้งหลายจงฟังพระสูตรอันมีในต่างๆเป็นธรรมชาติไม่แก่ไม่ตายให้บรรลุอมตะธรรมแสดงไขทั้งมรรคและผลอันบรรเทาทุกข์มีประโยชน์เกื้อกูลก่อให้เกิดมหารถหลายพันในอันนำมาซึ่งปิติมากมาย ทำความเาร่าร้อนเพราะไฟสามชนิดไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะให้ดับศูนย์เหมือนวัสุธาราหลังชโลมดับร้อนแห่งพื้นพระสุธาฉนั้นพระสูตรอันประเสริฐสุดท้ายแห่งวักประดุดโอสดอันกำจัดพยาธิคือกิเลสมีรสหวานละมุน ก่อให้เกิดความยินดีอันใหญ่หลวงแก่เหล่าเทวดาและมนุษย์พระอัตถคาจารย์ประดิษฐ์สถานไว้แล้วอันหนึ่งพระสูตรที่ชื่อเว ย, ยากรณะองคุณหนึ่งของนวังขษัตตุศาสตร์ท่านก็ประดิษฐ์สถานไว้ถึง150ห้าสูตรเพื่อทดสอบเหล่าสมณะสากยบุตรขอท่านทั้งหลายเหล่าอื่นจากผู้ที่กล่าวมาแล้ว จงมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันชมเชยพระสูตรอันมีความบันเทิงเป็นส่วนสุดในวักอันแสดงหนทางปฏิบัติต่างๆโดยลำดับเถิด